ธรรมบทแปลเรื่องที่157เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในแคว้นของชาวสักกะทรงปรารบหมู่พระญาติเพื่อระงับความทะเลาะจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุสุสขังวะตะเป็นต้น ตอนความวิวาทเกิดเพราะแย่งน้ำดังได้ยินมาว่าพวกเจ้าสกยะและพวกเจ้าโกริยะให้กันแม่น้ำชื่อว่าโรหินีด้วยทำนบอันเดียวกันในระหว่างนาครกระบิลพัรกับนครโกริยะแล้วให้ทำเข้ากลา้าถึงต้นเดือนเชรมาศเมื่อเข้ากล้าเหี่ยว พวกรรมกรแม่ของชาวนาครทั้งสองประชุมกันในชาวนาครทั้งสองนั้นชาวนาครกุริยะกล่าวว่าน้ำนี้เมื่อถูกพวกเรานําไปแต่ข้างทั้งสองจักไม่พอแก่พวกท่านเมื่อถูกพวกท่านนําไปแต่ข้างทั้งสองก็จักไม่พอแก่พวกข้าพเจ้าแต่ข้าวกล้าของพวกข้าพเจ้า จากสำเร็จด้วยน้ำกล่าวเดียวเท่านั้นพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายพวกชาวสักยะนอกนี้กล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อพวกท่านทำฉางให้เต็มตั้งไว้แล้วพวกข้าพเจ้าจักไม่อาจถือเอาทองมีสีสุกแก้วสีเขียวแก้วสีดำและกะหาปณะนะแล้วมีกระเช้าและกระสอบเป็นต้นในมือ เที่ยวไปที่ประตูเรือนของพวกท่านข้าวกล้าแม้ของพวกข้าพเจ้าก็จกสำเร็จด้วยน้ํำคราวเดียวเหมือนกันพวกท่านจงให้น้ํานี้แก่พวกข้าพเจ้าเถิดเจ้าโกริยะพวกข้าพเจ้าจะไม่ให้เจ้าสักยะแม้พวกข้าพเจ้าก็จกไม่ให้เจ้าเมืองทั้งสอง อย่างถ้อยคำให้เจริญขึ้นอย่างนั้นแล้วประหารซึ่งกันและกันอย่างนี้คือคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วได้ให้ประหารแก่คนหนึ่งแม่ชนผู้ถูกประหารนั้นก็ได้ให้ประหารแม้แก่ชนอื่นกระทบกระทั่งถึงชาติแห่งราชตระกูลทั้งหลายก็ความทะเลาะให้เจริญขึ้นแล้วพวกกรรมกรชาวกุริยักษ์ กล่าวว่าพวกเจ้าจงพาเด็กชาวเมืองก บ, บิลพั์ไปเสถิดชนเหล่าใดอยู่ร่วมกับพวกพี่สาวน้องสาวของตนของตนเหมือนสุนัขบ้านและสุนัขจิ้งจอกเป็นตน้นช้างมา้าโลกและอาวุธทั้งหลายของชนเหล่านั้นจะทำอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้ฝ่ายพวกกรรมกรชาวสากยะกล่าวว่า บทนี้พวกเจ้าจงพาพวกเด็กขี้ยวเรื้อนไปเสียเถิดชนเหล่าใดไม่มีที่พึ่งไม่มีคติอยู่ที่ต้นกระเบาตุสัตว์ติรฉานช้างมา้าโลและอาวุธของชนเหล่านั้นจะทําอะไรแก่พวกข้าพเจ้าได้ชนเหล่านั้นไปบอกแก่พวกอมารผู้ประกอบในกรรมนั้นพวกอมาร ทูลแก่ราชตระกูลทั้งหลายลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายคิดว่าพวกเราจักแสดงเรียวแรงและกำลังของเหล่าชนผู้อยู่ร่วมกับพวกพี่สาวน้องสาวแล้วตระเตรียมการยุทธ์ออกไปแล้วฝ่ายเจ้าโกลิยะทั้งหลายคิดว่าพวกเราจักสำแดงเรียวแรงและกำลังของเหล่าชนผู้อยู่ที่ต้นกระเบาดังนี้แล้ว ตราเตรียมการยุตออกไปแล้วตอนพระสัสดาเสด็จห้ามพระญาติแม้พระสัสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้ลุ่งทออพระเนตรเห็นหมู่พระญาติแล้วทรงดําริว่าเมื่อเราไม่ไปพวกญาติเหล่านี้จะชิบหายการที่เราไปก็ควรดังนี้แล้ว จึงเสด็จไปทางอากาศพระองคเดียวเท่านั้นประทับนั่งโดยบัะลังในอากาศณท่ำกลางแม่น้ำโรฮินีพระญาติทั้งหลายเห็นพระศาสดาแล้วทิ้งอาวุธถวายบังคมครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับพระญาติเหล่านั้นว่ามหาบาพิษนี่ชื่อว่าทะเลาะอะไรกันพวกพระญาติ พวกข้าพระองค์ไม่ทราบ พ, พระเจ้าค่าพระสัสดาบัดนี้ใครจักทราบเล่าพระญาติเหล่านั้นถามตลอดถึงพวกท่านและกรรมกรโดยอุบายนี้ว่าอุปราชจักทราบเสนาบดีจักทราบเป็นต้นแล้วกลาบทูลว่าเาะกันพระน้ำพระเจ้าค่าพระสัสดา นางตีราคาเท่าไรมหาบาพิษพวกพระญาติมีราคาน้อยพระเจ้าค่าพระศัสดากษัตริย์ทั้งหลายราคาเท่าไรมหาบาพิษพวกพระญาติขึ้นชื่อว่ากษัตริย์ทั้งหลายหาค่ามิได้พระเจ้าค่าพระสัสดาก็การที่ท่านทั้งหลาย ยังพวกกษัตริย์ซึ่งหาค่าไม่ได้ให้ชิบหายเพราะอาศัยน้าซึ่งมีประมาณน้อยควรแล้วหรือพระญาติเหล่านั้นได้นิ่งแล้วลำดับนั้นพระศัสดาตรัสเตือนพระญาติเหล่านั้นแล้วตรัสว่ามหาบพิตรเพราะเหตุใรพวกท่านจึงกระทำกรรมเห็นป่านนี้เมื่อเราไม่มีอยู่ ในวันนี้แม่น้ำคือโลหิตจากไหลนองท่านทั้งหลายทำกรรมไม่สมควรแล้วท่านทั้งหลายเป็นผู้มีเวรด้วยเวรห้าอยู่เราไม่มีเวรอยู่ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสอยู่เราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ท่านทั้งหลาย เป็นผู้มีความขวนขวายในอันสแสวงหากรรมคุณอยู่เราไม่มีความขวนขวายอยู่แล้วได้ทรงภาเศษประกาถาเหล่านี้ว่าสุสุขังวัตชีวามะเวริเนสุอเวริโนเวริเนสุมนุษเสสุวิหะรามะอเวริโนสุสุขังวัตชีวามะ อาตุเรสุอนาตุราอาตุเรสุมนุสเซสุวิหะรามะอนาตุราสุสุขังวาตชีวามะอุสุเกสุอนุสุกาอุสุเกสุมนุสเซสุวิหะรามะอนุสุกาในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวร เป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ในมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ขวนขวายกันพวกเราไม่มีความขวนขวายเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวายพวกเราไม่มีความขวนขวายอยู่ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสู่สู่ขั้งได้แก่สบายดีพระผู้มีพระภาค ตรัสคำอธิบายนี้ไว้ว่าในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันด้วยเวรห้าพวกเราไม่มีเวรในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนด้วยกิเลสพวกเราชื่อว่าไม่มีความเดือดร้อนเพราะความเป็นผู้ไม่มีกิเลสในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวนขวายในอันสแสวงหากามขุนห้า พวกเราชื่อว่าไม่มีความขวนขวายเพราะไม่มีการสแสวงหานั้นจึงเป็นอยู่สบายดีจริงกว่าพวกคฤหัตผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิตให้บังเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งการตัดที่ต่อเป็นตน้นหรือว่าพวกบรรปชิตผู้ยังความเป็นไปแห่งชีวิตให้บังเกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งเวชกรรมเป็นต้นแล้วกล่าวว่า เราเป็นอยู่โดยความสบายบทที่เหลือมีอัดอันง่ายทั้งนั้นในการจบเทศนาช่วนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติจบ